ภาคบ่ายนี่เราก็จะเข้าสู่การภาวนากันนะทีนี้มันก็จะง่ายแล้วนะย้ำอีกทีนะชีวิตตัตตาพาวสัพพทุกขะเจกเกวลาเอกจิตตสมายุตตาเพาชีวิตอัตภ า, ภาพร่างกายสุขทุก ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันจบกันที่จิตดวงเดียวนะมันเกิดขึ้นในขณะของจิตดวงเดียวเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มที่ไหนเริ่มที่จิตดวงแรกที่สามารถรู้ได้เมื่อเช้าจะมีคําหนึ่งเวลาภาวนาคืออะไรที่รู้ได้ ปกติเราบาง learn, ังคับต i mean no ัวเองยังไงมันต้องรู้รู้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมีการบีบกำหนดไม่จาเป็นเอาที่มันรู้ได้เอาที่มันรู้ได้มันอาจจะกว้างมันอาจจะแรงมันจะชัดอาจจะไม่ชัดแต่มันรู้ได้ในขณะนั้นเอาจิตดวงนั้นและก็ประคองมันไปให้เป็นอยู่ทรงตัวอยู่เป็นอยู่ทรงตัวอยู่เป็นอยู่ทรงตัวอยู่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยื อพร้อมนะอะนั่งคู่บัลลังตรงๆเลยนะคู่กับมวนขาเข้ามาตั้งกายให้ตรง ดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าตั้งกายให้ตรงไม่ต้องแกรงนะแกตั้งกายให้จิตมันตื่นให้มันความรู้สึกมันตื่นตัวขึ้นมากายตรงไม่ต้องไปแกรงเก็บมือเรียบร้อยอาจจะเอามือไปซ้อนกันก็ได้วางไว้ที่ขาฝาขาซ้ายตามถนัดวางเลอกทิ้ง ดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าก็ลองดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าจริงๆน้อมจิตก็มารู้สึกอยู่ที่เฉพาะหน้าเบาๆบางๆแล้วก็ราบรื่นไปรู้อยู่เฉพาะหน้าถ้ามันรู้ไม่ได้เอาความรู้สึกไปเลย รู้สึกที่หน้าผากรู้สึกที่จมกูกรู้สึกที่ตาซ้ายตาขวาถ้ามันรู้สึกไม่ได้ก็หัดกระพริบตาไม่ต้องรีบร้อนนะไม่ต้องรีบร้อนวิ่งหาลมหายใจเราลองฝึกตัวรู้ฝึกตัวรู้พระพุทธเจ้าท่านวางไว้เพื่อให้เปลี่ยนตัวรู้นั่นแหละที่ว่านั่งคูบัลลังตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าเพื่อเปรียมตัวรู้ ตัวรู้ที่จะมารู้กายรู้ใจเพื่อที่จะไปรู้ลมหายใจเราก็เตรียมให้พร้อมมารู้อยู่เฉพาะหน้าลองรู้ที่ใบหน้ารู้ที่หน้าผากเลื่อนลงมาที่ตาซ้ายตาขวาถ้ามันรู้ไม่ได้ลองกระพริบขยับ เดือดตาหนิดหนิดจิตมันรู้สึกสัมผัสได้มันตาซ้ายตาขวาเลื่อนลงมาที่แก้มซ้ายแก้มขวาตรงจมูกตรงริมฝีปากบนตรงปากตรงริมฝีปากล่างถ้ามันไม่รู้สึกตรงนี้ก็ขยับกระดูกคางเบ า, เบาให้ควันมันเคลื่อนมีการเคลื่อนไหวแล้วมันรู้สึกได้ จะก็ปรับปรับจิตที่รู้อยู่เฉพาะหน้านี้ลองเคลื่อนขยับไปดูให้กรู้ทั่วทั้งใบหน้าไม่ต้องแช่ไม่ต้องเกรงแค่รู้แล้วปล่อยไปแค่รู้แล้วปล่อยไปแค่รู้แล้วปล่อยไปแค่รู้แล้วปล่อยไป จากนั้นก็มาที่ช่องจมูกเพราะเรากำลังที่จะรู้การเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกของลมหายใจลมหายใจเรามันเคลื่อนออกทางช่องจมูกเคลื่อนเข้าทางช่องจมูกเราก็เอาจิตรู้เตรียมพร้อมไว้ที่ช่องจมูกให้ดูจิตรู้นะ รู้พร้อมที่จะรู้ลมหายใจรู้นั้นพร้อมที่จะรู้ลมหายใจลมหายใจจะเป็นอย่างไรก็ช่างรู้พร้อมที่จะรู้พระเจ้าเรียกสุสตวะอัสติสัตโตปัสติมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าก็ลองรู้ นั่นก็คือรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจมาเป็นธรรมชาติของเขานะลมหายใจออกก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งลมหายใจเข้าก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งรู้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเราแค่ยังรู้ยังระลึกรู้ธรรมชาติที่ชื่อว่าลมหายใจที่ไหลออกธรรมชาติที่ชื่อว่าลมหายใจที่ไหลเข้า รู้ก็ไม่ใช่เราลมหายใจก็ไม่ใช่เรามันเป็นเพียงการทำงานอย่างธรรมชาติของแต่ละภาคส่วนรู้นั้นเป็นธรรมชาติที่เข้าไปรู้ลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติของเขาครั้งแรกเราก็กำหนดรู้ทามันสามารถรู้ไม่ได้แต่เพื่อผ่อนคลายความกำหนดไม่ให้มันมีกำลังมาก เราก็ใช้วิธีการรู้ลมหายใจที่ไหลออกเพราะเป็นธรรมชาติของกายธรรมชาติของลมหายใจที่ไหลออกคือมันจะมีธรรมชาติของมันที่ไหลออกมาเองมากกว่าการที่เราจะเข้าไปกำหนดให้เขาออกมาังนั้นเราก็ใช้ด้วยวิธีหายใจเข้ายาวๆให้สุดแล้วให้จิตรู้พร้อมที่จะรู้ลมหายใจไหลออก แล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจไหลออกมาพร้อมกับจิตที่รู้ต่อลมหายใจที่ไหลออกนั้นตั้งแต่ต้นลมกลางล ม, ลมปลายลมจนสุดลมหายใจที่ไหลออกนี่รู้มีกำลังมากกว่าการกำหนดแต่เราเรียกว่ากำหนดรู้นั่นแหละพระพุทธเจ้าเรียกว่าปชานาติรู้ทั่ว พอรู้ลมหายใจไหลออกและรู้ลมหายใจไหลเข้าเรียกว่าหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ จะรู้เข้าไปสู่ลมหายใจเนี่ยอย่างมีฉันทะมีฉันทะคือมีใจน้อมเข้าไปสู่ลมหายใจมีใจน้อมเข้าไปสู่ลมหายใจแล้วก็ไม่ผ่วงต่อลมที่ออกไปแล้วไม่ผ่วงต่อลมที่ยังไม่ออกมา ไม่พะวงต่อลมที่กำลังจะออกไม่พะวงพะวงต่อลมที่ออกไปแล้วไม่พะวงต่อลมที่กำลังเข้าไม่พะวงต่อลมที่เข้าไปแล้วเรียกว่าเคว้าซื่อๆตรงๆรู้ซื่อๆตรงๆอยู่กับลมออกที่เคลื่อนออกอยู่กับลมเข้าที่เคลื่อนเข้าหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้อยู่อย่างนั้น เ็เกิดเป็นสภาพรู้ตัวหนึ่งลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ม, มันไม่มีสิ่งใดใดเลย mm. ก็มีแค่ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตที่รู้ลมหายใจแล้วก็เคว้าวน่นิ่งๆไม่ต้องวิ่งตาม ไม่ต้องวิ่งตามลมไหลเข้าว่ามันเข้าไปถึงไหนไม่ต้องวิ่งตามลมที่ไหลออกว่ามันออกไปถึงไหนและก็ลมที่มันออกไปแล้วมันก็ดับไปแล้วลมที่มันเข้าไปแล้วมันก็ดับไปแล้วมันยังเหลือแต่ลมที่กำลังรู้อยู่กับเป็นปัจจุบันในขณะในขณะ แน่วแน่อยู่กับขณาของลมที่กำลังเคลื่อนอยู่จิตรู้อยู่กับลมที่กำลังเคลื่อนอยู่นั้นแน่วแน่อยู่อย่างนั้นเหมือนที่หมู่บ้านมีรอปภอยู่ตรงปากประตูนั่งอยู่ที่ปากนั่งอยู่ในป้อมยามมีรถนั้นเข้ามาก็รู้ ไม่ต้องวิ่งตามเข้าไปว่ามารถไปไหนแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่ารถนั้นมันมาจากไหนแค่รู้ว่ารถนี่เข้ารู้ว่ารถนี้ออกเวลาใส่ฉันทะเข้าไปให้มีฉันทะในการรู้ลมหายใจคือน้อมใจเข้าไปเพื่อให้รู้นั้นมันเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ถูกรู้ก็จะ มีรายละเอียดมากขึ้นเหมือนกับที่ป้อมยามที่เขานั่งอยู่แทนท่าจะดูแค่รถมันดูด้วยว่ารถสีอะไรมาเร็วมาพอ ด, ดีกี่ลอ้อคนกี่คนเลขทะเบียนอะไรกว่าดูรายละเอียดของรถที่เข้ามาด้วยสามารถรู้ได้ถ้ามันน้อมมีฉันทะคือน้อมใจเข้าไป เพื่อที่จะพินิจพิจารณาเหมือนกันรู้มีฉันทะน้อมกาไปเพื่อพินิจพิจารณาเรียกว่าอันจมาเรียกว่าดูเนื้อลมหายใจว่าลมนั่นเป็นอย่างไรใช้รู้ส่องเข้าไปในเนื้อลมหายใจว่าลมที่เคลื่อนออกต้นลมเป็นอย่างไรกลางลมเป็นอย่างไรปลายลมเป็นอย่างไรจนสุดลมหายใจรู้เข้ารู้ออกอยู่อย่างนั้นด้วยฉันทะ คือน้อมใจเข้าไปเพื่อรู้มีความเข้มข้นมีน้ำหนักของรู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจไม่ใช่แบบจดจ่อนะแบบรู้แบบละเอียดแบบพิเศษแบบโน้มใจเข้าไปไม่ใช่รู้แช่รู้อย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อย แต่ลมมันจําเป็นจะต้องยาวมันก็ยาวลมมันมีกคำเป็นเป็นาว่าลมมันเป็นธรรมชาติสั้นก็สั้นมันไม่ใช่ว่ามันมันสบายยะมันสบายตรงที่ลมสั้นและเราไปบังคับให้ยาวหรือลมมันยาวมันจําเป็นต้องยาวตามธรรมชาติแต่เราไปบังคับให้สั้นไม่ต้องปดปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ เราน้อมใจเข้าไปอย่างมีจันทะเพื่อไปดูในเนื้อลมหายใจอย่างมีรายละเอียดทันบ้างไม่ทันบ้างมากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรเอาที่มันรู้ได้เอาที่มันรู้ได้ไดแต่ว่าไม่ไม่ปล่อยให้มันฟุ้งไปข้างนอกนะพระหิทธาอาวิคิเต วิญญาณเดคือไม่ปล่อยให้รูปพุ่งไปข้างนอกอัจชัดตังอัดอดชดตังอคิวิตเตก็คือว่าไม่ไม่หลบเข้าไปข้างในก็เรียกว่าเกาะอยู่กับลมหายใจไม่พุ่งไปข้างนอกแล้วก็ไม่ตั้งมั่นข้างใน ไม่ฟุ้งไปข้างนอกไม่ตั้งมั่นข้างในคืออัจชริตั้งอนุทิเตคือว่าไม่ตั้งมั่นในข้างในข้างนอกก็ไม่ฟุ้งออกไปข้างในก็ไม่ได้ตั้งให้มันไหลหลบลึกลงไปจนหลุดออกไปจากลมหายใจอย่างนั้นมันเข้าไปอยู่ในความขาดคะเนมันไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงในขนาดนี้รู้ น้อมเข้าไปเพื่อรู้ลมหายใจตามความเป็นจริงลมหายใจออกเป็นอย่างไรรู้อย่างนั้นทำฉันทะให้มันเข้มข้นเพื่อที่จะรู้ลมให้ละเอียดในรายละเอียดของลมหายใจเข้าไปรู้สบายสบายตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นที่มันรู้ได้ ถ้าดูมันอึดอัดมันเกร็งมากเราก็ลองหายใจเข้าให้ยาวแล้วค่อยๆปรับลมหายใจให้มันสบายได้บางทีเราก็ปรับให้มันยาวบ้างบางทีมันก็ปรับให้มันสั้นบ้างแต่มันมีจุดมีจุดที่เป็นไปอยู่ของความเป็นปัจจุบันมีจุดที่เป็นไปอยู่ของความเป็นปัจจุบันที่มันสบายมันอยู่ที่เราพอมันมีฉันทะเข้าไป เพื่อที่จะ บ, บริหารและจัดการศึกษารู้ลมหายใจในเนื้อลมหายใจทั้งไหลออกทั้งไหลเข้ามันมีจุดที่สบายสบายอยู่ พอลมหายใจไหลออกสุดบางครั้งเวลาลมมันสบายราบเรียบแล้วเนี่ยลมมันหยุดก่อนที่ลมหายใจเข้าจะเกิดภาวะที่มันมีลมหยุดเราก็รู้ไว้เมื่อลมหายใจเข้ามาเราก็รู้ลมหายใจเข้าแต่จังว่าแรกๆพอลมหายใจไหลออก พอลมหายใจไหลออกสุดมันมีระยะหยุดของลมหายใจอันนั้นเราเรียกว่าลมหยุดแต่ลมหยุดเกิดขึ้นบ่อยๆเราก็รู้ลมหยุดก็เอาจิตไปรู้ลมหยุดศึกษาลมหยุดเมื่อลมหายใจเข้ามาเราก็รู้ลมเข้าเมื่อลมหายใจออกมาเราก็รู้ลมออก แค่รู้ลมออกแค่รู้ลมเข้าแต่ว่าเรียนรู้ศึกษาลมหยุดลมที่มันหยุดอยู่ในจังหวะลมหยุดก็คือไม่มีลมออกไม่มีลมเข้าเราก็ศึกษาลงไปในลมที่หยุดพอลมเข้ามาก็รู้ลมออกมาก็รู้ถ้ามันไม่เกิดลมหยุดเราก็รู้ลมหายใจไปอีก แต่ไม่ปล่อยให้รู้ฟุ่งไปข้างนอกถ้าก็ฟุ่งไปข้างนอกไม่ไปแช่ไม่ไปปล่อยแค่รู้ว่ามันฟุ้งออกไปเขาก็จะกลับมาไม่ปล่อยให้มันทำหลังลึกลงไปข้างในถ้าเขากำลังถลำลึกลงไปข้างในก็แค่รู้ว่ามันกำลังถลำลึกลงไปข้างในก็กลับมาอยู่กับลมหยุด เมื่อลมหายใจเคลื่อนมาก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้อย่างนี้ ค่อยค่อ ย, อ ย, อยนอมจิตผู้ที่อยู่กับลมหยุดอยู่กับสภาพนิ่งที่รู้กายอยู่ด้วยผู้ที่มีสภาว่าคือปิติหรือสุขกาลังเป็นไปอยู่ด้วย ค่อยอยนอมจิตไปที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกช้าชาค่อยคอ ย, ยกมือขวา ข, วาขึ้นเคลื่อนมือขวาไปด้วยจิตที่รู้สึกวางมือขวาไว้ที่ข้อข้างขวาด้วยจิตที่รู้สึก ยกจิตมาที่มือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกค่อยๆยกมือซ้ายขึ้นรู้กิริยามือซ้ายที่กําลังเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปค่อยๆวางมือซ้ายลงที่ข้อข้างซ้ายรู้กิริยาที่มือซ้ายวางไว้ที่ข้อข้างซ้าย ค่อยๆน้อมจิตกลับมารู้อยู่ที่ใบหน้าของตนพระหกหน้าขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาอบกยากสมาธิก็ให้จิตรู้ยังยังอยู่ที่กายอยู่นะ สังเกตดูสังเกตดูเรียนรู้ว่ารู้ที่มันแยกออกมาจากสิ่งที่ถูกรู้เป็นธรรมชาติอย่างไรสิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นธรรมชาติอยู่ก็ทรงสภาวะอย่างไรให้รู้ไว้แล้วพัก15้านาที